เทศอบรมพระวันที่ส4สี่พฤษภาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโน บ, บันทึกไว้กันนี้ปลุกใจอย่างเรียบเรียบเทศเรามาปฏิบัติธรรมต้องยึดธรรมมาเป็นหลักใจอยู่เสมอกิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันจึงสังเกตได้ยากว่า อะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้บอกถ้าจิตติดกับอารมณ์ต่างๆมากพึงทราบว่านั่นคือกิเลสกำลังกำเริบและมักกกำเริบอยู่ตลอดเวลาอย่าอาจหารในอารมณ์ที่เป็นไฟจงตั้งหน้าปราบเสมอกิเลสเป็นแม่เหล็กดึงดูดใจไว้ไม่ใหเอียงไปสู่ธรรมได้เลย กันนี้เทศเรียงลำดับจนถึงที่สุดแห่งจิตเทศต่อจนถึงหน้าบีเล็กน้อยพูดก็ปลุกใจดีมากจิตหลุดพ้นประจักใจนี่งานของธรรมเสร็จสิ้นลงแล้วตลอดวันตายยังจะอาจหารต่องานของโลกอยู่หรือเพราะงานสั่งสมกิเลสไม่มีวันจบสิ้นลงได้นอกจากพอกพูนกิเลส แล่กองทุกข์ให้มากจนหาหามกิเลสและกองทุกข์ไปไม่ไหวเท่านั้นจากเทศก็พูดธรรมะต่อไปพูดเรื่องกลัวเสือและเดินเข้าหาเสือจนใจกล้าหารเต็มที่แล้วจึงกลับมาพระอรหันต์กับสามัญชนเหมือนกันในสันชาตยานรับผิดชอบตนเองกันนี้เทศและพูด ทั้งหน้าเอและหน้าบีอัดให้ใครได้ทั้งสองด้านถ้าลงลงอย่างนั้นไม่ลงแล้วไม่ล ง, ลงเวลาปฏิบัติต่อตัวเองก็กแบบเดียวกันนี่เพราะเป็นธรรมนี เากิเลสเกี่ยวกิ่งทำลายหัวใจต่ได้เวลาเพราะความไม่มีทาได้ยังไงเราเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมเราทำเป็นหลักใจอยู่เสมอจะฝึกจะเครื่องหนักเบามากน้อยให้มีทำเป็นเครื่องทํางานทางฝ่ายเหตุลงกำลัญชาติจิตใจอยู่เสมอเพราะใครๆก็ทราบแล้วว่ากิเลสกับธรรมนั้นเป็นค่าศึกตันในเมื่อจก แก้ไขด้วยคำนั้นต้องเป็นค่าสุดกันถ้าไม่นอนแก้ไขคำนั้ตัวเองที่เดชก็เป็นเจ้าอำนาจไม่มีความเขาแทรกได้เลยลอาการทุกอย่างที่ไหลตัวออกมาตั้งแต่จิตถึงมาจาการพยายามมาญาต่ำพูดคำจามันเป็นเรื่องของที่เดชทั้งมวลเป็นผู้ถุดผู้หลักผู้ชักจิตกลาเป็นเหมือนหุ่นกัน มันมีความหมายในตัวเองอะไรเลยใช่พิเรศเป็นเจ้าอำนาจมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความดีความดีความพิเศษพิโส ค, ความสุขความสบายายในจิตใจจากพิเรศมันไม่ได้อะไรมีตั้งแต่หยาดย่ำทำลายลงไปเรื่อยๆพิจนาในซึ่งดิสันที่นี้ว่าอกพิเรศเป็นข้า ความสงบสุขหรือเป็นค่าสุดต่อธรรมเราตั้งหนาตั้งตามมาเระเพื่ปฏิบัติธรรมเราต้องยึดธรรมเป็นหลักเป็นกระตายก็ยึดธรรมไว้เป็นหลักยากลำบากในการแก้ไขดัดแปลงฤทธิ์ฝุกทรมานตนเองขนาไหนเราก็สราบว่าเราทำงานเพื่อเราเองผลประโยชน์ันเงน้ ที่เกิดขึ้นจากการปิดทรมานลำบากหนักเบามากน้อยยังไงเป็นของเราไม่ใช่เป็นของผู้อื่นผู้ใดพอไม่นำพาวันเวลาเสียไปวันหนึง่งวันหนึ่งล่วงไปเรื่อยๆประโยชน์ที่จะเพิงเกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรที่ต่อสู้เกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยก็เท่ากับขาดทุนไปทุกวัน การค้าการขายทังมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวก็ต้องล่มจมไม่มีใครแต่ประคองตัวไปได้การต่อสู้แบบใดเช่เขาเล่นกีฬากันมีแต่แพ้อย่างเดียวก็ไปไม่รอดเหมือนกันต้องปัดกันแพ้ปัดกันชนะเราแพ้เพราะเหตใดก็ต้องนำเหตุนั้นเข้ามาวินิจฉัยกค็ควน แก้ไขดัดแปลงใหม่เข้าอีกต่อสู้อีกอนนีเราแพท้ที่เละแต่ก่นเรานั้นไม่เคยสู้เราหมอบรากกับมันเสนจริงไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่เละที่เละกับเราเป็นอันเดียวกันมาดั้งเดิมจนไม่มีความรู้สึกสำนับเลยในโลกของเรากว้างแสนกว้างถ้า ม, า ม, ามนนัีพระพุทธเจ้ามาสแสดงเหตุสแสดงผลถึงเนี่ย งอนโทษกรรมของกิเลสที่มันทรมาณกิตใจสัตว์เพราะม่มีใครจะทราบตลอดถึงวิธีการาแรก้ไขดัดแปลงปักกามกิเลสด้วยวิธีการใดแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้โดยอัดโดยธรรมก็ไม่มีใครจะทราบก็ต้องยอมให้กิเลสเหยียบย่ำทําลายอยู่างนั้นตลอดหาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบจะหาทางไหนไม่มีทางออกไม่รู้ทางออก มันมีอุบายวิธีใดที่ทเป็นความรู้ความเฉลียโดยลำพังตนเองที่ไม่ได้รับจากครูจากอาจารย์จากธรรมตอนกุญแจมาเป็นเครื่องดั่เนินเลยใครจะรู้เกิดมาก็เกิดกับกิเลสดูกับกิเลสตายกับกิเลสวกไปเย็นมามีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลในหัวใจเราในรูปกลายมาก็เพราะเรื่องของกิเดส แตรูปกายมาแล้วก็เป็นเครื่องมือของมันอย่างเต็มตัวทั้งหมดเนี่ยผลที่มันติดขึ้นมาก็มีความทุกข์เดือดร้อนพอควรแต่ทราบถ้าเราไม่ทราบไม่มีใครทราบเรื่องของกิเลสเรื่องของกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความผิดขึ้นมาของกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะผลของกิเลสเช่นวิบากขันของเรานี้ ก็เป็นผลอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากที่เหลืถึงจะเหลือเข้ามาไม่เข้ามาแทรกมันก็จะเป็นทุกข์ได้เช่นเจ็บหมวตัวร้อนเป็นธรรมดามันเป็นเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ก็าสืบเนื่องมาจากวิบัติคือผลของสิเหลือให้มาเป็นรูปเป็นกายมาเป็นเรือนรังของโรคเป็นได้เนี่ยนานเลยหลายเงยหลายมุมคือผู้ปฏิบัติ นั่งอมลิมทาไมความคิดถึงเวลาที่คิดต้องคิดซอกแซกหลายแง่หลายมุยมคิดไปที่มาก็ได้อุบายขึ้นมาลหลายวันได้อุบายขึ้นมาแต่แล้วอุบายน้เป็นอย่างีรดีกว่ามันคคดไม่คิ ด, ไ ม, คดไม่สนใจต่อภ า, า, าวนาเพื่อความสงบมันก็ไม่พอจะได้เรื่องความไดสงบเพราะสติไม่มีความมุ่งมั่นมีน้อย ความมุ่งมั่นมีมากความเพียรก็เป็นปไปตามกันความขยันหมั่นเพียรความอดความทนก็มีกําลังสําคัญที่ความมุ่งมั่นเป็นหลักใจแต่ความมุ่งมั่นมีน้อยความเพียรเดียวทั้งนั้นการตั้งสติจะเป็นสติได้ด้วยดีก็เพราะความเพียรเพราะความพอใจในการบำเพ็ญนี่จะเคยฝึกมาแล้วเรื่องนึงเราพอสมควน มึงกล้าพูดต่อบหมูตอบคนมึงสติรื่องลูกคู่การจนหาชิ้นดีไม่ได้ก็เคยเป็นแล้วมันยุเรศมันเหยียบหัวเราต่อหน้าต่อตาทั้งที่ทเราสู้กับมันเหมือนเหยียบเราลงอย่างแหลกแบนไปเลยต่อหน้าต่อตาเพราะกําลังอุบายวิธีอะไรอะไรก็ไม่มจ่อสู้มันได้อย่างนั้นก็เป็นเห็นมาแล้วแต่ยังไงก็ตามไม่มีความมึนหมั่นเป็นหลัก เรื่อง น, น้ำเนืความมุ่งมัน่นนี่ยเป็นสําคัญมากทีเดียวมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกมุ่งมั่นต่อผลที่เกิดตนจะผลได้เพิถึงตามความต้องการของตนเมื่อวความมุ่งมัน่นหรือเขีมทิศตั้งไว้ดีแล้วสิ่งที่จะส่งเสริมความมุ่งมัน่นให้สำเร็จไปเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นไปเช่นความเพียร ความรู้สัดพยายามความอดทนหนักเบาเอาสุหนักก็เอาเบาก็สูค่อยตามๆกันมาอีกรวมกันก็เป็นแพลงถึงจะมืดตืขนาดไหนก็เถอะถ้าลงความมุ่งมั่นมีนนจัมพยุสไปเรื่อยทำเครื่องสนับสนุนคือความภา่าเทียงเป็นต้นแล้ว้วต้องมีวันสว่างวันหนึ่งจนได้บางทีถึงนั้นตาล่วมก็มีต เกิดกริดสู้มันไม่ได้บางทีเกิดความความน้อยเนืนต่ําใจมาแต่มันไม่นานนะไม่เกิดขึ้นมาเชื่อขนาดเพราะสติเราไม่ทันปัญญาเราไม่ทันบางทีเลยเหยียบย่ำออกต่อสู้กับมันสู้มันไม่ได้มันแสดง้เห็นต่อหน้าต่อตาจะชัดทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้แต่กาลังไม่มีเกิดความเชื่อออกเชืยอใจ มาสู้กิเลดไม่ได้ถ้าเป็นคนเนาเรียกว่าเครียดแค้นผูกอาฆาตไชแต่ผูกอาฆาตงระหว่างทำกับกิเลนี้ไม่เป็นอาฆาตเหมือนอย่างโรคเคี้ยวมันเรียกว่ามุมานะต่อสู้เกี่ยกวกับฟนเดียวกันหลายครั้งหลายหนมึงก็เอาจนได้ เราเคยพูดเสมอนักภาวนานักบวชเราสรุปลงแล้วคือนักปฏิบัติถ้าจิตหาความสงบไม่ได้แล้วไม่เห็นเลยความหมายที่าจารย์ศาสนาคืออะไรอาตจายายัญญาเพราะตัวเองมันไม่มีคุณค่าอะไรแล้วจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องรับ ความแปลกประหลาดอัศจารย์ของศาสนาพอที่จะให้รู้คุณมาภายในใ จ, จิตใจรู้ปรจับใจได้มากน้อยหรือไม่รู้มันไม่มีไอจิตมันก็ร้อนอยู่ทั้งดวงเหมือนกับไฟไม่แกรบอย่างน้อยก็เหมือนไฟไม่แกรบมันสงูงมันเทงก็ลุกโคงแสดงไปออกมาบูบ่าบูบ่าบูว่ากับเรื่องนั่นกับเรื่องนี้อนี ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องคุนเรื่องไฟของที่เรศเท้าหลนติดใจให้เดือดร้อนวุ่ น, ว, นวายทั้งมุ่วนวายทั้งนั้นเพราะเป็นฉนั้นเราจะเอาอะไรเป็นของอาชีพต่างในจิตมีแต่ไฟโยนอะไรเข้าไปก็ไหม้หมดโยนอะไรเข้าไปก็ไหม้หมดถ้าไม่พยายามดับด้วยการต่อสู้ของเรา จ, จิตมีความสงบแล้วเย็นขึ้นมานั่น เริ่มเห็นคุณค่าของใจใคุณค่าของต่และเริ่มเห็นคุณค่าของาศานสนะไปตั้งแต่จิตเริ่มมีความสงบพอทรงตัวได้จิตใจไม่มบ้าวุ่นขุนมัวเสยียใจเป็นบ้าเหมือนแต่ก่อนป่าคิดบ้าปรุงมันนะบ้าอะไรบ้าของนักปฏิบัติเกิดเป็นความคิดความปรุงความพุ่งสั่งวาของจิตเราต้องกับ ทดสอบบวกลบ ก, กันเสมอความคิดตั้งกต่ตื่นขึ้นมานี้มันคิดเรื่องอะไรบ้างเรื่อลงโลกเรื่องสงสารซึ่งเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดวันรู้จักเดียงสาภาวะมาจนกระทั่งแบบนี้มันได้ผลไปอะโยชน์าาถ้าไม่ปากรว่าเป็นผลประโอะไรเพราะความคิดปรุมตามนัดของกิเลสเฉยๆมันพาให้เป็นไปแล้วเราก็ ควรที่เห็นโทษแห่งความคิดเหล่านั้นนับคิดแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านั้นมาเป็นความคิดทางด้านธรรมะมาเป็นความคิดทางด้านสติทางด้านธัญญาทางด้านความภาพเขียนทางแง่อดแง่ธรรมใ ด, ดก็ตามเพื่อได้สติขึ้นมาได้คติได้อุบายขึ้นมาเป็นลําดับลําดาเพราะความคิดปรุงมันเป็นปัญหาคือเป็นเรื่องของปัญญา มแล้วก็คลิกมาอย่างนี้นเราเสียได้อะไรกับความคิดมันจะได้อย่งนี้คิดนะเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแล้วก็หลอกเจ้าของเนี่ยเจ้าของนั่นแหละดืมเนื้อลืมตัวดูดดื่ดมไปตามความคิดนะั้นจนเคลื่นไม่รู้สุกตัวเลยทั้งๆ ท, ที่นั่งภาวนาแต่ลงนับความคิดความปรุงซึ่งเป็นเรื่องก่อควรติดใจโดยกลักบ โกงข้ามใจแล้วิ่งตามเขาอะไรเยอะอันนี้โกงจับเป็นดอกบัวไปเลยเนียความคิดที่ดอกตนเองแต่อย่างนี้แล้วมันกม็มีทางสงบได้ต้องฟาดฟันหันแหลกกันลงไปอย่าคิดแย่ไดายความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลสมากน้อยอย่างไรให้ทราบว่ากิเลสกำลังเลิกเราจะว่าความคิดกำลัเลิกที่เฉยมันไม่ถึงใจต้องบอกว่า ม, มีกิเลสกําลังกำลังเลิก เวลานี้อากคิดเรื่องนั้นอยากคิดเรื่องนี้อดีตผ่านมากี่ปีกี่เดือนไม่ทราบว่าผ่านไปถึงไหนแล้วมันยมงปรุงเป็นเรื่องเป็นราวหลอกเจของด้วยดวนเจ้าของพักชวนเจ้าของกดขี่บังคับเจ้าของให่ชอบอกกล้าวใจสนใจคิดเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆนี่อย่าบอกกิเลสมันกำเริบแล้วบังคับถูดลากเข้ามาด้วยสติของเรา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 ตื่นลมตื่นแล้วอยู่ภายในจิตตัวเองเหมือนเขาฉายภาพพยนตร์ตัวจริงไปไหนก็ไม่รู้มาฉายภาพนยนตร์ในจอแล้วก็มาตื่นเขาเหมันเป็นบ้านตื่นเราตองมาพิจร่ันมีสติบงังคับทุก็ยอมรับว่าทุกอย่าถอยหลังยา ปล่อยให้กิเลสหยาบย่ำไปทั้งนี่สติปัญญามีพอจะต่อสู้กันทราบเสมอว่ากิเลสมักกำเริบอยู่ตลอดเวลาเวลานี้เราจะระ ง, งับความกำเริบของกิเลสที่ทำให้พิจิตในแง่ต่างๆเป็นสิ่งก่อควาจิตใจและเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเพิ่มกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆก็เพิ่มทุกข์กขึ้นมาเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ทางเดินของเราเราเนผู้ปฏิบัติมี่ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสต่างหๆไม่ได้ มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมเรือคล้อยตามที่ให้มาเหยบย่ำทำลายตนที่เป็นแหลกเลี้ยวหมดหาชิ้นดีไม่ได้ภายในจิตใจความสงบมองหาก็ไม่เจอความเฉลี่แยบคายมองหาก็ไม่เจอเพราะไม่ได้มองไม่ได้จดต่อกับสิ่งอย่างนี้แต่ไปมองแต่ไปจดต่อกับเรื่องของที่ซึ่งเคยเป็นมาแล้วให้ทุกมาแล้วแต่กันไหนก็มายอมหึงโทษนั่นเอง มีหลสำคัญตรงนี้การทำความเข้าใจกับตัวเองด้วยดีการปฏิบัติธรรมก็การทำความเข้าใจกับตนคำว่าตนในสถานตัวนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสของตนนั่นเองเอให้แน่ให้แม่นยำเข้าไปเดิมยลำนณะจะภาวนาอุบายวิธีใดที่จะยึดการแต่งการเติมเพื่อได้สติสตสสังเพื่อไดความสงบเรียกจริง ก็หาอุบายเอาเองอย่ากให้แตค่คอยแต่ครูบาใจหยิบยื่นให้ดังนั้นมันเป็นสมบัติของท่านถ้าเราไม่ได้ผิดขึ้นมาถ้าเดยลำพังเราเองแล้วมันก็ไปไม่รอดท่านยื่นให้เงีย้ยแน่เงี่ยไหนก็ได้แต่เพราะเงียนั้นถ้าย่างมากหรือยอย่างนั้นมีฉะนั้นก็หลุดมาหลุดมือไปเสียันไม่เกิดประยชน์อะไรการที่ตนคิดคน้นหาอุบายขึ้นมาโดยลาพังตนเองมันเป็นสมบัติของตัวแ ท, ท้แล้วมีการ แต่ขานณะที่การสาขาออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตก็ค่อยปรากฏขึ้นความกว้างขวางของสติปัญญาก็ค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปพิจารณาออกไปเรื่อยๆนี่คือทุนเป็นอันเป็นสมบัติของตนเองที่คิดขึ้นมาได้เองคิดกันกับท่านหยิบยื่นให้เป็นอย่างมากทีเดียวนั่นท่านหยิบยื่นให้พอเป็นแนวทาง เรามาตีกระทุ้กระทุ้แล้วว่ามาัดไว้มาตีมตัดนั่นให้แตกกระจายเป็นเป็นขัน้นแหนงออกไปให้เป็นความเข้าใจของตนเองถ้าชื่อบาดจตัวเองนั่นหนักเป็นผลต้องหนัก เ, น เ, รเราโดยแท้งานใดจะเป็นหนักยิ่งกว่างานแก้กิเลสงานา ส, สังสมกิเลสความสําคัญของเราไม่ได้ว่าหนักถึงจะหนักเราก็เราก็พอใจทัน แต่งานแก้กิเลสนี้เราไม่ค่อยพอใจทำทั้งที่ความคิดก็ว่าอยากทำํำเวลาเข้าถึงสนามโลกจริงๆแล้วยอมแพ้ยกมือไหว้เขาเหลือเยังไม่โชคดีต่อยหนึ่ยกมือไหว้กิเลสสิมีแต่ความยอมแพ้ตลอดมันจะหาใครจะนะมาได้อย่างไรเคยพูดซ้ำๆถักๆหูแล้วหูวเหลาถึงเร่องสติ บังคับในที่ทุกสถานไม่ว่าจะบังคับเพื่อความสงบของใจไม่ว่าจะบังคับเพื่อการพิจารณาต้องมีสติกำกับความรู้ไปอยู่โดยสม่ำเสมอดื่อความจดจ่อต่อเนื่องกันไปสติตามไปถึงไหนความเพียรก็ไปถึงนั้นถ้าขาดสติเมื่อยๆความเพียรก็ไม่มีความหมายอะไรเลยสติมันเป็นของสำคัญเกิดขึ้นจากจิดนั่นแล แต่เป็นเครื่องรักษาจิตได้เป็นเครื่องบังคับจิตได้ตัวจิตเองมีแต่ความรู้เฉยเฉยพิดจงาให้ถึงขั้นละเอียดอาจจะทราบเองในคําที่ว่านิสิเป็นสิ่งที่ยิย้ยแยบยิ้แยบเป็นสิ่งที่กระเพื่อมออกมากระเพื่อมแล้วก็เป็นสติขึ้นมาแต่ความรู้นั้นเป็นธรรมชาติทั้งตัวเองมีแต่รู้เฉยเฉย ร, รู้ไม่รู้ไม่รู้จักว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกสักแต่ไม่รู้แต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องบังคับจิตใจที่มีแต่รู้นั้นให้ทํานั้นทํานี้ตามสิ่ง น, นั้นต้องการสิ่ง น, นั้นก็คือกิเลสใจก็คือเครื่องมือของกิเลสแต ท, ทําอะแต่ทำแต่ไปนั้นก็ไปไม่ทราบเป็นกลางวันกลางคืนสาว่าผิดว่าถูก วันี้ว่าชั่วประการใดความรู้สึกที่กิเลสลักขับให้ทำสิ่งได้ให้พูดสิ่งใดทำประจําเรื่องพูดประจำเรื่องเหมือนคนบ้าคืออยู่ตามถนนมนทางเราก็เห็นแล้วนั่นแหละคนมีแต่ความรู้เฉยๆไม่มีสติเราดูคนบ้าเขาแล้วกันนั่นเรียกว่าสติไม่มีเลยมีแต่ความรู้จึงเป็นไประจยะถากรรม อยากจะนั่งที่ไหนไม่ว่าการถนนทางไม่ว่าทีแย่ไฟเขียวไฟแดงไม่สนใจนั่งยังเหมือนเจ้าบอกกัวนว่าอย่างสะดวกสบายอย่างอิสระความจริงเขาไม่ได้มีความหมายเราว่าเขาสะดวกว่าเขาอิสระถ้าเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาก็เขาก็มีความรู้สึกในทางผิดถูกดีชั่วจะไม่มานั่งอยู่ในสถานที่นั้นได้เลยเนี่นี่ก็เป็นพ่อเนี่ยจากเพียงความรู้แล้วความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์ เป็นความรู้ที่มีเด็ตหุ่มห่อซอย่างเต็มตัวสติเอื่อมเข้าไม่ถึงเลยปัญญาต้องไม่มีให้ทุนทราบจิตนี้ถ้าลงขาสติมากๆนันเป็นคนบ้า น, นั่นแหละดูเอาคนคนเราธรรมดานี่ยังมีสติรักษาอยู่ตามสามัญชนธรรมดาตัวทั่วไปมีสติสตางค์รู้จับผิดจับถูกดีชั่วถึงไม่รู้ลึกซึ้งจนกว่านี้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 มีสติขึ้นไปเรื่อยๆสืบต่อเนื่องกันไปเรื่อยสตินี้เด่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะการฝึกแต่เพราะยามยิง่งขณะภาวนาเป็นขณะที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลของระหว่างกิเลสกับสติมันเป็นธรรมประเภทหนึ่งว่าจะต่อสู้กันยางไในขณะที่เราตั้งใจไว้อย่างเต็มใจว่าจะไม่ให้เถือ ไม่ให้จิตคิดตรงปณทธานใดได้ในขณะที่เราต้องการความสงบไม่ต้องการความคิดตุกเช่นทางด้านปัญญาเวลานั้นเราไม่ใช้ปัญญาเราต้องการจิตให้มีความสงบเราจะเอาความสงบเป็นพื้นฐานแห่งความสิดที่เกิดขึ้นมาในความสงบเวลานั้นเท่านั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งสจิต ต้องไปขาดไปหมากับการสถานที่เวลามลาที่ไหนกับบุคคลผู้ใดเรื่องใดก็มาเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้กับอารมณ์แห่งธรรม ท, ที่สมมติว่าเราบริกรรมก็ให้มีแต่ความรู้กับคําบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะไม่ต้องขาดหน้าขาดหลังกันแยกจากทางซ้ายทางขวาทางทิศเหนือทิศตะวัตตตนตกตะนออกที่ไหนและให้มีแต่ความรู้กับธรรมที่ คือความบริกรรมที่สัมผัสกันยับยับและไม่มุ่งหมายไม่คาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเลยแม้นิดก็ไม่ไปคาดมีสติจําเพรอะหน้านะท่านียกสติจําเพราะหน้านสติปฐานท่านแสดงมาสติก็สักแต่ว่าทางนี้ทางสติมัตาแย่แน่นน สติตานสติสติมัตตาเนี่ยรักแต่ว่าสตินั่น อ, อกิกาย ก, กายมีอยอออู่อักิกายติอิเหตนาอัตติอัติรติอัิ ทำมาต่ไม่มีเป็นต้นนะกายมีอยู่เวทนานมีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ักใหักแต่ว่ามีเท่านั้นมอุปกรณ์สติมัตตาเนี่ยเป็นว่าปัจจุบปัจตางโติอัญญคือให้ตั้งอันติอันิดเข้าไปตั้งไว้กับที่จุดนั้นให้ทำความเข้าใจว่ากายมีอยู่เวทนานมีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ปัจจุปปตจจางโหติ อธิกายะติวาปนันาากวาปนัสสะสติปัตุปติตาโูติอธิเวนาติกเหมือนกันว่าแบบเดียวกันแล้วก็ไม่ยึดมันม่นไม่ยึดมันม่นถือมัน่นงี้ที่โตจะ อะไรกันลืมว่าถ้ามายกออกพูดว่ามาหยิบมายกออกนี่มันทำไม่ ก, ก่อได้ผมก็ว่ามาเลยต่อเลยไปเลยเราไม่คล่องแคล่วทานา น, นทางบาลีแต่เร่องเนื้อความที่แปลก็อยากว่าต้องศึกษาดูนั่นเท่านั้นท่านไม่ให้ยึดไม่ให้หมายใกล้หมายไกลหมา ย, มายนอกหมายอันใดทั้งหมด อันตรายกรรมอะไรให้อยู่เท่านั้นอะไมีอยู่เท่านั้ น, เ, น, นเราจะได้ทราบว่าสติเป็นยังไงจะทนตัวได้ไหมการความพยายามของเรานีกจะทรงตัวได้ไหมพอให้สติขีดเนื่องกันในขณะบริกรรมเผื่กิตจต้องคุงยากทันทีแต่ไม่เผื่อมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับผลักดันออกมากำลังมา เปนลักษณะจะทัดหังให้รู้ให้รู้ยกกระเพิ่อมแยกนะตสติมีแล้วมันเข้าใจขนานมันมันกระเพื่อมแยกพอกระเพื่มแยกออกมานี่มันก็เป็นเรื่องเป็นลาขึ้นมาเป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องผูนนั่นผูนนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้ขึ้นมาพอสัง้งขานมันยัดขึ้นมาได้สัญญายิ่งเป็นความละเอียดทีงหมดตั้งขานมันมันซื่อออกมาเป็นเรื่องเป็นลาเลยความหมายของมัน ไม่ต ja. ้องไม่จเป็นต้องกระเพื่อมสัญญาณละเอียดขนาดแต่ยังไงก็ไม่เหนือสติไปได้สติจะทราบทุกอาการของขันนามขันเวทนาทัญญาทังขารองนญาตแสดงอาการอย่างละเอียดขนาดไหนสติจะการถันรู้ทันเมื่อมีสติควรจะรู้ทัน มันมีสติแบบปรุงวันยั่งคำสาคัญมั่นหมายคือยังหนุนยึดมั่นคือมั่นเป็นยกไม่ฝืนหลังจะหักมันก็ไม่รู้เท่าไมีมสติสติเป็นสําคัญมากสิเดียวเราพูดอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องฝึกอดทนการปฏิบัติการเครื่องดาเนินท้งเกิดแฝ่หรือเปิตอบพอมที่เด็ดถ้าไม่ได้พูดสติแล้วเราพูดไปไม่ได้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 พ้นเห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าของการพิจารณาทางด้านปัญญาฝ่ายหนะักจึงต้องอาศัยสติเป็นผู้ควบคุมในงานที่กําลังพิจารณาอยู่นั้นจนกว่าปัญญาจะได้เหตุได้ผลแล้วเห็นคุณเห็นโทษไปโดยลําดับลําดับแล้วปัญญาก็ตั้งหน้าเดินส่วนสตินั้นก็ต้องแนบลงไปโดยลำดับเฮ้ยสติปัญญาหเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคงคืนกันพอเรื่องอะไรมาสัมผัสแย้สติ ก็เท่ากันมาปูกสติให้สติรู้รับรู้พร้อมกับความรู้นะฮะปัญญาก็ตามกันตามกันตามกันไปเรื่อยๆเหมือนการฝึกสติจนมีความละเอียดไปโดยลำดับมันแบบอั้นเลยจิตได้รับความสงบจิตก็เยือกเย็นอารมณ์ที่ส่งไปตามรูปเสียงกลิ่นนดเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นมาดั้งเดิมมนาะ ให้เป็งนงทราบว่า น, นี้อารมณ์แห่งความเป็นไฟที่จะมาเผาร้อนจิตใจของเราให้เดือดร้อนมึนวายใครอย่ า, า, า, ยากล้าอย่าหามอย่าเสียดายไปคิดไปปรุงกับสิ่งอย่างนี้จิงดังนี้เป็นเรื่องคืนเรื่องไฟเข้ามาเผาร้นจิตใจของตอนโดยแท้ห้มัดตัวังเคียดแต่คิดอยู่ภายในโมฆะลมธรรมที่จะเป็นเครื่อง เป็นเครื่องเครื่อหรือแต่ของเกเรโดยลำดับจึงชื่อเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดเกเรไม่ใช่เพื่อสั่งสมเกเรขึ้นมาด้วยความคล้อยตามด้วยความอ่อนไปตามเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียกว่าผู้ประกอบความเขียนไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติอืมเรากลาวถึงเรื่องสมาธิหรือความสงบนี่คือการที่จะให้จิตมีความตึงอ่ะ ผูกกำหนดอนาปานนสติก็ให้รู้อยู่จำพอลมยาไป่าคไปหมายใดใทั้งสิ้นฝนจะเกิดขึ้นอย่างไรลมนี่จะไปยังไงมายังไม่ถึงการที่จะวิภาควิจารียกแยะเรื่องลมเรื่องอาการต่างๆเราไม่ต้องสนใจถ้าต้องการความสงบก็ต้องพิจารณาอารมณ์ของสมาธิคือไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอะไรจอยูในจุดเดียวนั้นเรียกว่าอารมณ์สมถาถ อารมณ์เพื่อความสงบของจิตวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลําดับหนัก น, นั่นคือการใคร่อยๆคุนการเนี้พิจารณาทางด้านปัญญาถึงการถึงเวลาที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วก็ไม่ห่วงความสงบเวลานี้ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเวลานอนก็นอนเพให้สบายเกิดสงบอารมณ์สดวกสบายเวลาตื่นขึ้นแล้วนี่จะทํางานแล้วเวลานี้ไม่ต้องไปห่วงนอน ทำมันลงไปแดดก็ตามฝนก็ตามเงื้ยเราพอทนได้แล้วเราสู้ทางหนังเ น, นอกจากมันร้อนถ้าจะเป็นจุดเปลี่ยนใจทนไม่ไหวก็ต้องเข้าโรมพักบอลมันหนาวถ้าจะเป็นสะบ้านตาันไปหมดทั้งตัวทํางานทําการอะไรไม่นด้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลตาการตามคว า, ามจำเป็นเราปีปัญญาก็เหมือนกันเวลวมันหมุนไปที่จุด กระเลยขียดเลยแดนกระเลดเปิดเปนงเราก็ยั้งกลับมาเสียมาหาลู้ผู้ทีิแบบักถ้ามีผู้แสดงให้ทราบลงหน้าไว้แล้วอย่างนี้เวลาไปปรากฏขึ้นภันในตัวเองทาที่คูาอาจารย์ทั้งหลายแสดงไว้นั้นจะวิ่งเข้าประสานกันทันทีแต่ขนาดที่ขี นี้เวลาจิตของเรายังไม่เข้าใจไม่เห็นผลในสิ่งนั้นบางที่ท่านกล่าวนี้มันก็จาไม่ได้พอเรื่องของเราได้ปรากฏขึ้นมาในลักษณะนั้นแล้วมันจะวิ่งเข้าถึงการทันทีทันทีเอป็นเช่นนั้นถึงว่าหน้าที่ปัญญาจะพักตัวเองทางด้านสมาธิเจ้าของก็รู้เองแล้วย้าย้ำปัญญาให้พักได้ให้ทํางานคนละวักล้วต่อนั้น อย่างไรก็ตามเรื่องสติไม่ควรให้ห่างเหินกับตัวเองไม่ว่าจะทจํากิจการงานอะไดก็ตามให้พยายามระมัดระวางังให้มีสติอยู่กับตัวไม่อยู่ในกับไม่ําบริกรรมก็ให้อยู่กับความเลื่อนไหวของตัวเป็นสัมปะชันยะอยู่ในตัวเองออกจากนั้นพอที่จะเข้าถึงบทใดที่ตนเคยที่จะราเคยบริกรรมก็ต้องเข้าเองนั่นเป็นบทเฉพาะกิจจะอยู่กับบรรนั้น อยู่กับอารมณ์อื่นร้อนถ้าอยู่กับคําบริกรรมไม่ร้อนเพราะคำบริกรรมเป็นบทธรรมเป็นเครื่องช่วยจิตใจให้มีความเยือกเย็น เ, เ, เป็นสุขอารมณ์อย่างอื่นมันเป็นฟืนเป็นไฟเป็นพลิปน้อนทําความเข้าใจกับตนไว้อย่างนี้เสมออย่าไปคุ้นดับไปสนิทจิตใจกับอารมณ์อายอ ร, รู้เสียงตื่นรู้เกื่อตั้าผัดซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟมาดั้งเดินอยู่แล้วกับตัวเองสร้างได้ทุกคน เวลานี้จะมาแก้ไขสิ่งอย่างนี้จึงไม่ควรไปสนใจซึ่งเป็นการขัดข้องต่อธรรมและความคิดเช่งนั้นเป็นการส่งเสริมี่เลสเพื่อทําลายธรรมที่คว ร, รจะได้ถึงประเด็น้เสียไปต่างหน้าต่างตาธรรมต่างกินต่างมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่กับหัวใจนั่นแหละอย่าไปสงสัยที่ไหนให้เสียไปล่ำเวลาเปล่า ภาวนาลไปศีลก็คือทํำส่วนใหญ่ท่า น, นชื่อว่าีเมื่อทําได้เขา้าถึงใจแล้วศีลก็ไหลเข้ามาสู่ธรรมนี่พี่ยิ่งทํากับใจปเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วศีลมีหรือไม่มีก็ไม่ไมสนใจหากรู้ความควรไม่ควรกับตัวเอง เป็นยังไสมาธิคือความสงบใจหรือความมั่นคงของใจขอต้องให้มั่นคงไปตั้งแตห่หีคือทำจริงจังทำด้วยความมุ่งมั่นต่อผลคือความสงบเย็นใจจริงๆเอาจริงเอาจังนี้เป็นสมาธิกางแล้วความสงบใจอันเป็นส่วนผลก็ปรากฏขึ้นมา อยู่กับใจดวงนี้แหละจะดูที่ไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนลงที่ใจเพราะทีเละอยู่ที่ใจท่าศึกอยู่ที่ใจจะไปสอนที่อื่นแก้ที่อื่นผิดกับความผิดอันยิ่สอนลงที่สมาธิทุกขั้นจะปรากฏขึ้นที่ใจของนักภาวนาปัญญาทุกภูมิในความเสียเท่ฉลาด ในการแยกแยกพิจารณาเรื่องธาตุเรขันติจรงอันนี้จังก็เห็นชัดด้วยปัญญาทุกขังก็เห็นชัดหน้าตาในขันตั้งหานี้ก็เห็นทัดด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันก่อล่างเองถ้าลงปัญญาด้วยซึ่งเข้าถึงจิตใจกับซึ่งต่อความจริงทั้งหลายอย่างเต็มตัวแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความถอดถอนความยึดมั่นถือมันถอนมาเอง ท่าที่ยึดมัน่นถือมั่นเราก็ไม่ต้องการอย่างยึดจับถือแต่เป็นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจอํานาจของเกศมันมีความ ม, ามีมากกว่าเราเพราะทำสอนไปอย่างนิ้ที่เลสเรียมสอนไปยังเรามันเคยกับกิเลสมานานกิ่เลสเรียมสอนเพียงบทเดียวบาทเดียวเราเชื่อเนี้ยส่วนทำกี่บทกี่บาทมันก็ไม่ถึงใจเพราะที่เลสมีอำนาจมากกว่า กินเไปทางขีเหล็กเสมอดีไม่ดีล้มไปกับทางขี้เหล็กโดยไม่รู้สตัวมีมันกินยากตรงนี้ในขณะที่จะแยกกันออกระหว่างจิตกับขี้เล็กนี่มันก็เหมือนกับแม่เหล็กดึงเห ล, ล็กออกจากแม่เห ล, ล็กมันดูดแม่เหล็กมันมันใหญ่โตมีกําลังมากรถเดินทั้งคันมันก็ดึงดูดเอาไว้ได้ขยับขยื่นไปไหนไม่ได้เพราะแรงของความดึงดูดแม่เหล็ก จิตกับพิเรพิเรอเ ป, เป็นแม่เหลก็กการสำคัญมันดึงดูดจิตไว้ไม่ให้แยกตัวออกมาสู่อัสุธรรมได้เลยแม่ยกักษ์ขันนมเนี่ยมันหนักขนาดนั้นจึงต้องใช้กำลังทางตาเอาเพื่อความรู้แจ้งแทนตลอต้องเอาเป็นเอาตายเข้าว่าการสูญความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจหลังจากนั้นไปแล้วค่อยเบาลงไปเบาลงไปแต่เรื่องความภาพเพียรนี้ต้องหนัก ไปโดยลําดับตามขั้นตามภูมิของจิตเดชมีมากมีน้อยต้องทำงานไปโดยลำดับอันนั้นต้องหมุนไปอยู่อย่างนั้นนะครับมีต้นทุนพนันาใจแล้วก็พอหมุนกันไปคือกิตใจก็ไม่รุ่มร้อนจิตใจมีความสงบเย็นไม่คิดไม่หุ่นไม่ว่าไม่แสบตาจะหาเรื่องโลกเราสงสารมีเพีนงแตหมุนเตี้วอยู่กับการถอดถอนจิตเดชอาสวะต่างๆทึ่งมันแทรกมันสิงอยู่ภายใน ขันตั้งห้านี่อ่ะปุ่นในงาแทรกอยู่ในจิตว่าในในกายว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเนี่ยเหตนาเป็นเราเป็นของเราทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรเฉยเกิดขึ้นมามาทั้งทางส่วนร่างกายและทางจิตใจก็มาเหมาว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะความไม่เข้าใจความไม่รู้มันก็ต้องยึดสัญญาทั้งขันยืนยานแต่ละอย่างละอย่างะถือว่าเป็นเราเป็นของเราไปหมดที่นี้แยกแยกด้วยสติปัญญาให้เห็นแจ้งแจ้งชัดเจนว้ามันถอยตัวของมันเอง เศษไม่มีที่ซ่อนจะได้ซ่อนอยู่ที่กายก็เดี๋พิจารณาปัญญาก็ปราบการขวัดต้อนมาหมดแล้วแต่ไปแยกดูเวทนาทางกายปัญญาก็ขวัดต้อนออมาหมดแล้วเห็นชัดเจนแ้สัญญาทั้งขาสัญ่ะปัญญาก็ตามพ้นจนเห็นแจ้จงชัดเจนแล้วมันมีที่ไปมันก็ไหลลงเข้าสู่จิตเท่านั้นเองตัดสะพานทั้งมันมันออกมาติดต่อสืบเนื่องกันกับ รูปเสียงกลิ่นลดเครืงสัมผัสก็ตะล่อมมันเข้ามามาอยู่ที่รูปเวทนาทัญงาทั้งขามีญาตของเราปัญญาก็ตะล่อมตัวเข้ามาเมื่อถึงขั้นตะล่อมเมื่อถึงขั้นตากดาวเมื่อถึงขั้นขอบถอนและปัญญาต้องทําหน้าที่เป็นผู้ของตัวเองไม่มีการที่เกิดแบ่งนับแบ่งสู่เป็นก็เป็นตาก็ตาขอให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่ตนจะพึงรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้ในสิ่งที่ตนอยากละละได้ถอนได้ เป็นที่พอใจตายก็ต า, ห, ตาหนักเมื่อถึงขั้นหนักแล้วมันต้องหนักปั ญ, ญา่าเพรารถมันต้องหนักตางความเพีย่ยนดูที่ไหนก็เป็นความเพีย่ยนที่ออกเหนี่เลยถูกตัดสะพานเข้ามาตัดสะพานเข้ามาไปหลบซ่อนอยู่ในอะไก็ถูกไล่กวาดต้อนเข้ามาเข้ามาสุดท้ายจะมาอยู่ในขัน ไา่ในขันนีแล้วสุท้าก็วิ่งเข้าสู่จิตกาแสนี้หมดไปเลือแต่ตัวจิตวิเลอไม่มีทางเดินเป็นันธุน์จิรขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วเชื้ออยู่ที่ไหนก็ต้องการเข้าไปจนได้ตอนน้นคนหมดเชื้อหมดเชื้อจอยหมดที่ไหนเชื่อมความขวดก็ฝังอยู่ที่จิต วิชาปริยาสร้างข้ารานอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่จิตวิชาเลตเววาเสสุยาดาโยธาสร้างข้ารานอยู่ทุนขั้นดับด้วยวิธีใดถ้าไม่ดับด้วยปัญญาปัญญาไม่เข้าถึงตัวจริงเฉพาะพิเรนเป็นจ อ, กรรจอมกษัตริย์จอมมัตตจักรคมกลืนกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันฉันไม่สามารถจะแยกได้ มันก็แยกได้เมื่อถึงขั้นกติกัญญาที่ควแยกได้แล้วรอไม่ได้ว่าฟันหผ่นแหลกแตกกระจายหมดมันมีชิ้นใดที่เหลือขึ้นชีวาชิ้นแห่งสมมุติแม้ปรมาณูไม่ ม, มีเหลือเลยนั่นมันถึงจะหมดปัญหาแต่ว่าชัยชนะก็เป็นภูมิจิเป็นที่ภูมิไปความเพียรเรา สละชีพมาออกเป็นอาตายเข้าว่ามาเดินในดัตรตั้งจะเริ่มประโยคน์ขอย่างมาจนกรทั่งถึงบัตรนี้ได้ถึงความสมบูรณ์แล้วความมุ่งมั่นได้ซึ่งสิ้นเสร็จสําเร็จลงแล้วในบัตรนี้ทีนี้ความมุ่งมั่นต่อไปนั้นหมดปัญหาความเพียรเพื่อรักกิเลสตัวใดได้ละไปหมดแล้วความเพียรก็เพื่อรักกิเลสก็หมดปัญหากันไปความมุ่งมั่นเพื่อรู้แจ้งของจริง ในมรรคผนิพพานก็ไหวด้วยนั้นทำอันเป็นยอดทำก็แล้วแต่จะปูกก็หมดปัญหากันไปพานาทั้งหมดที่เคยสู้กันแบบเป็นแบบตายก็ามาิติกันลงที่ตรงที่ค่าสึกคือกิเลสมันหมดไปจากใจ น, นี่ไงเพราะฉะนั้นความเพียรทั้งมวลจึงเป็นความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสต่อสู้กับกิเลสโดยถ่ายเดียว มื่อที่เรยได้สิ้นสุดลงไปจับจิตใจแล้วความเพียรทั้งมวนก็เป็นอนามัยวิจิตรกันลงได้โดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติเป็นอิสระั่นแหะคุ้มค่าความเพียรที่ทุ่มเทมาเอาชีวิตเข้าพอตัวประกันเป็นตัวประกันก็คุ้มค่าเงานของการปฏิบัติทํางานงกรรมฐานี้ แม้จะเป็นงานอันยิ่งใหญ่กว่าตามแต่ยังมีเวลาจิตเสกชิ้นหนึ่งได้งานของโลกจะเป็นงานยิ่งใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ตามแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดได้ทํางานของโลกให้สําเร็จเสกขึ้นไปแล้วค่อยตายไปนี่จะตายไปกับความพลุมพลังกับวาทีการงานของตนที่ทํำยังไม่เสร็จทั้งนั้นไม่มียกเว้นแม้อร์เซ็น์เดียวเลยเรื่องของโลกอย่นั้นแต่ว่างานใหญ่หรือไม่ใหญ่ยลกเรายังจะอาภานอยาไป้สู้กับงานของโลกอยู่เลย ที่นาทิโลกไม่มีผู้ใดลายใดจัดตัวใดบุคคลผู้ใดที่จะประทางานของโลกให้สาเร็จเสร็จสิ้นลงไปหมดพระ้าตที่การงานทุกสิ่งหายห่วงแล้วตายไปได้วยสุขติเป็นที่หวังไม่เคยฝากนิจตาเกพื่อความห่วงความใยแบบพระภาระภุลังเป็นป้ปหมดในงวงจัดถ้างานไม่สำเร็จอันทั้งหงนางนทั้งปฏิบัติศาสนางาน ของเราที่ทํานัดตั้งแต่เตยสายลมานะขาจันตาตะจูที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานอันสาคัญเราเริ่มมาตั้งแต่เตยสายลมานะขาจันตาตะจูที่อุเบชายะท่านมอบให้ในวันหมดด้วยไปเดยลำหนักมีเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นงานใหญ่โตมากจะทําเล่นๆไม่ได้ต้องทําอย่างเอาจริงเอาจังเป็นก็เป็นตาก็ตายเพื่อทำอันพิเศษเพื่อหรู้พ้นจากทุกเป็นที่พอใจ งานนี้เรค่อยขยายตัวเข้าไปเพื่อครับครับครับแชบแคบนิดนิดเดียวเดียวเพราะท่านสอนให้พอดีกับกําลังของผู้เริ่มผู้ขัดใหม่เช่นเพีสาหรือลูมาหรือมหาหรือตันชานท่านกาตะโจจะเอาบทใดบตายก่อนแล้วแต่เอาแคนั้นนะที่เป็นนาขื่นขื่นลงลงที่เนาอันโลมไปโลมอย่แคนั้นหรือจะเอาเพียงบทได้บทหนึ่งก็ได้เพื่อให้มันกว้างขวางให้มันสั้นเสือจนเกินไปจะเหลือกําลังของตนที่เพิ่มผู้หาด เอาจนได้เห็นได้ผลกับงานนี้แล้วก็จะค่อยขยายตัวไปเรื่อยๆงานก็เป็นวงกว้างไปเที่อยกำหนดที่สาขาสาขาลิลโรมาลงมาหรือตะโจจะโจเพียงเท่านั้นนะต่อไปตะโจนี่มันหุ่มหมดทั้งตัวนหนังเห็นไหมความรุ่มจะสร้างไปรอบตัวเอาเวลาถลกหนังแล้วเป็นยังไงคนทั่งคนหนังเริ่มกระจายนะที่เมื่อเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วถลกหนังแล้วดูกันได้ไหมความสวยของงามมีไหมไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายแบบ เป็นวัหนึ่มวัยาววัไหนก็ตามเมื่อเอาหนังออกแล้วดูกันได้ไหมดูไม่ได้เลยมีมแต่แม่แม่งวันเท่านั้นมันจะมาดูคนนี้ดูกันไมได้แล้วดูเข้าไปลึกเข้าไปในเข้าไปเรื่อยเรื่อยงานของเราขยายไปเรื่อยอย่างนั้นจนกระทั่งดูอย่างตลอดตรวจถึงแล้วก็หายเหืองไปเองหายห่วงไปเอ ง, งไม่ ว, ไว่าชิ้นใดชิ้นใดถลงสติปัญญาได้ตามเข้าไปต่างไปพอเข้าใจแล้วปล่อยวางปล่อยวาง ผลทุท่าก็จะมุะ่งทั้งว่าปล่อยไปปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจแล้วก็เป็นมุสิตังกรรมนัจอย่างเสร็จแล้วพรหมจารย์ได้อยู่เสร็จแล้ ว, รรรลวงานทั้งมวลที่ในอุตสาหรร ม, ม า, า, ง, างานกรรมฐานนันได้เสร็จจิ้นลงแล้วในขณะนี้ในขณะที่โปรงคาระอันใหญ่หลวงภายในใจิตใจจากนั้นก็หมดปัญหากันไป มีหน้า ง, งานมายุติที่นทีมีเวลาเสร็จสิ้นลงได้งานทางศาสนางานแก้งานตัดถอนที่เหแต่งานทางสมเกียรติหาความสิ้นสุดไม่ได้เลยจะมาทั้งวันตายตายแต่กับที่เหลืเกิดแต่ก็มากับทิเหลือยู่กับทิเหลืทุ ก, พกพเพราะทเหลืเป็นอยู่งั่งดนะ้วยมาไม่ว่าจัดระบุคคลผู้ใดเราจะที่จะประกอบความเปลี่ยนทําไม่ไดจะไม่เห็นไปดขอาจะจับทําไมไมากฏิรูปตรกนี้ คิดติตใช้ความคิดแย่เทียบเคียงกั น, น, อ, น, น, ก น, นกอย่างนั้นสิแล้วจะมนีเหตุผลไปได้ยังไงสติปัญญาหวานร้อนเหนือมันก็ต้องยอมจำนวนเอาเป็นหนักงานเสร็จแล้วสาบายขึ้นอยู่นี้นก็อยู่ไปร่างกายเราจะ อ, าอะไรกับมัน วาระมันกัไปมันมันไปมีทุกขณะอยู่แล้วเราก็เรียนรู้มันหมดแล้วเป็นห่วงปัญยาอะไรกับมันหรอทุกอย่าะเรียนทำก็คือเรียนเรื่องตัวเองเรียนเรื่องของจิตเรียนเรื่องของธาตของขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเรียนไปนหมดตลอด ถ, ถึงแล้วมันก็หมดปัญหาปล่อยวางลงแล้วตั้งแต่ยังมันไม่ชีวิตเริ่มหายใจยังไม่ปล่อยตัวเองแล้วปล่อยไปเสียก่อนอุปทานขันธ์อุปทานเมื่อกี้ ตทั้หมดสบายเสียตังแต่ยังไม่ตายมันสบายแจงสบายเหนื่ะตอนนี้ไปท่านทรรมญอธิบายมีครั